ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเวลาตายก็ไม่มีซากเหลืออยู่พวกนี้มีกลายเป็นทิพย์เช่นพวกนรกเปรตอสุรกายเทวดาและพรหมหมายเหตุผู้อ่านกำเนิดโอปปปาติกานั้นมีการตีความไปอีกแบบที่หมายถึงจิตขณะนั้น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 หสัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นอากาศานัญจายตนะ7สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นวิญญาณนัญจายตนะ8สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะ9สัตว์เหล่าหนึ่งผู้เข้าถึงชั้นเนวาสัญญาณสัญญาญายตนะ เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในคำภีอังคุตรนิกายนวการนิบาศและพระสารีบุตรก็แสดงไว้มีปรากฏอยู่ในจีค้นนิกายปาติกวกักคำว่าสัตตาวาสมาจากคำว่าสัตต์แปลว่าสัต ว, ว, ตว์และอาวาตแปลว่าพบเป็นที่อยู่ สัตต์บวกอาวาตเท่ากับสัตตาวาตเมื่อรวมกันจึงแปลว่าพบเป็นที่อยู่ของสว์สัตตาวาตนี้บางทีพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณทิทิตซึ่งแปลว่าภูมิเป็นที่ตั้งของวิญญาณและแบ่งเพียงเจ็ดประเภทคือเหมือนในหัวข้อของสัตตาวาตทุกอย่างเว้นแต่ในข้อที่ห้าว่าด้วยอสัญญสัต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 มีได้หมายถึงโลกหรือจักรวาลอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายหากหมายถึงสภาพหรือแบบของชีวิตในรูปต่างๆอันบรรดามีอยู่ในสากลจักรวาลชีวิตทั้ง9้าประเภทนั้นเมื่อย่อลงแล้วก็มีอยู่สามประเภทคือหนึ่งกา ม, มาพบพวกที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกามได้แก่พวกสัตว์มนุษย์และเทวดา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 ในสัตตาว่าทั้ง9ก้านั้นข้อที่6ถึง9จัดอยู่ในอรูปภพหมายเหตุในคำพีหลายแห่งนั้นเมื่อพูดถึงเทวดาอาจรวมทั้งเทวดาในการมภรพและหมายถึงพรมด้วยแต่เมื่อแยกเป็นภพจริงจริงท่านก็จะแยกเทวดาที่อยู่ในการมภรพซึ่งมีหกชั้นหรือที่เรียกว่าเทวโลกเป็นต่างหากจากพรม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 เรารู้ได้จากพุทธภาษิตเพียงเท่าที่อธิบายมา น, นั้นส่วนในอัตถกถามีกล่าวอธิบายต่อไปอีกแต่ข้าพเจ้าเองก็มีสู้จะเลื่อมใส่นักเพราะรู้สึกว่าบางอย่างค่อนข้างเชื่อยากเช่นในการอธิบายถึงเรื่องอสัญญาศาตร์เป็นต้นถ้าถึงตอนจําเป็นข้าพเจ้าจะหยิบยกมาอธิบายต่อไป